b เจ็ดสิแป o o k 2 78 78คำคุณศัพท์หนึ่ง aggettivi u aggettivi ผู้หญิงชาลาหนึ่งคน Una Donna Anciana ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน Una Donna don g don r ū, <S Una don a s a ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน Una Donna Curiosa Roth May หนึ่งคัน หน้า a ้าคินา nuova รถความเร็วสูงหนึ่งคัน una ma ้าค i n a veloce รถนั่งสบายหนึ่งคันหน้าม้าคิน a comoda ชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุด Vest un vestito azzurro vest so. un vestito azzurro ชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุด un vestito rosso un vestito rosso ชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุด un vestito verde un vestito verde กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ u น a บกระเาถืีนรำตาลห a ่นกระเป๋าถือสีน้ำตาลาหนึ่งใบหน้ากระเป a าถือสีขาวหนนกระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ u น a บกระเป๋าถือสีขาวหน a ่งใบหน้าะเป๋ายคาน gente carina persone carine gente carina persone carine คนสุภาพหลายคน gente gentile persone gentili gente gentile persone gentili คนน่าสนใจหลายคน gente interessante persone interessanti, gente interessante, persone interessanti, dek narak, bambini cari, bambini cari, dek du, -de. bambini impertinenti, bambini impertinenti, dek di. -de. Bambini bravi. Bambini bravi.